เขาคิดแน่ใจอยู่อย่างเดียวว่าโลกอันสวยสดงดงามเช่นนี้ดีเกินไปจนไม่สามารถจะเป็นโลกแห่งความจริงได้เลยด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอ็ดวินได้บอกแกข้าพเจ้าว่าเขายังดือ้อคิดว่าโลกทิปนี้เป็นโลกของความฝันอยู่พักใหญ่และนี่คือความรู้สึกครั้งแรกของเขาหลังจากที่ได้หลุดจากกายเนื้อมาแล้วครั้งแรกที่เขาตื่นขึ้นมานั้น เป็นการฟรื้นขึ้นมาภายในบ้านอันสวยงามหลังหนึ่งเขารู้สึกตัวว่ากําลังนอนอยู่บนเตียงนอนอ่น อ, อนนุ่มและและเห็นสหายเก่าของเขาคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ข้างๆบุคคลผู้นี้ก็เป็นผู้นํำมีญญาณของเอ็ดวินมาสู่โลกทิพย์ในทํานองเดียวกันกับที่เอ็ดวินนํำมิญาณของขพระพเจ้ามานั่นเองแต่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่บ้างคือเอ็ดวิน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 เขาจึงเริ่มกระทำอย่างที่รูธกับพระเจ้าหรือคนอื่นกระทำมาแล้วนั่นเองคือออกตระเวนท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆด้วยความตื่นเต้นยินดีบัดนี้เขาได้เป็นผู้มีอิสระพร้อมทั้งกายและใจไม่ต้องถูกผูกมัดอยู่กับพันธะหรือความลำบากและทรมานอย่างใดๆโดยสิ้นเชิงความรู้สึกครั้งแรกของรูทสาหรับรูทนั้นเธอได้กล่าวว่า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 สามารถมองออกไปเห็นภูมิประเทศได้อย่างระยะไ ก, กลเหลือเกินความจริงเธอเป็นผู้มีจักสุประสาทละเอียดมาแต่เดิมแล้วคือสามารถแยกแยะสีสันวันนาต่างๆได้ดีกว่าผู้อื่นแม้ในด้านการดนตรีเธอก็มีส่วนประสาทอันได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วเหมือนกันแต่ครั้นเมื่อเข้ามาสู่ภูมิเช่นนี้เธอก็รู้สึกว่า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 และข้าพเจ้าจะขอนำถ้อยคำของท่านจากการสัมภาษณ์ของข้าพเจ้ามาเล่าสู่การฟังอีกสักรายหนึ่งท่านเล่าว่าความรู้สึกครั้งแรกเมื่อได้ปรากฏตัวขึ้นในที่นี้ก็คือท่านได้รำพึงอยู่ในใจยังตื่นเต้นว่าสถานที่นี้เป็นบ้านเมืองของใครที่ไหนหนอจึงได้สวยงามประการตาทึ่งเพียงนี้ครั้นต่อมา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 คำสอนที่ขู่เข็นต่างๆก็ดีความเชื่ออันงมงายไร้เหตุต่างๆก็ดีล้วนพังคลืนลงมาอย่างไม่เป็นท่าเลยทั้งสิน้นท่านรู้สึกว่าท่านได้มีชีวิตอยู่ใต้ข้อบังคับขู่เข็นจุกจิกของพวกพระในโลกมนุษย์ซึ่งมากโดยกฎเกณฑ์ต่างๆในโลกทิปนี้เป็นไปตามธรรมชาติจริงๆไม่ยุ่งยากกวนใจเละเทอะ และเต็มไปด้วยอคติต่างๆเหมือนในโลกมนุษย์ในที่นี้ไม่มีพิธีการหรือยศศักดิ์รูหราใหญ่โตที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงดังเช่นในโลกมนุษย์กล่าวโดวยรวบยอดความเลอเลือดของโลกทิพย์นี้ก็คือว่าเรารู้สึกเป็นอิสระอย่างเต็มที่ทั้งกายและใจจริงจริงในด้านกายไม่มีความเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใด หมายเฉพาะผู้อยู่ในภูมิสุกติในด้าน จ, จิตใจไม่มีเรื่องของการขู่เข็นคุกคามหรือกดขี่ทุกประการ